หนึ่งจุสามหนึ่งการน้อมใจเข้าหาความว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีหัดรู้สภาวะเบื้องต้นต้องหัดทำกรรมฐานอะไรสักอย่างก่อนไม่ใช่ทิ้งกรรมฐานเออะก็จะไปหาความว่างใช้ไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะไปทำความว่างไปดูความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายกายานุปัสสนาดูเวทนาเวทนานุปัสสนาดูจิตจิตานุปัสสนา รู้สภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามเรียกว่าธรรมานุปัสสนาไม่มีสุญญาตาวิปัสสนาสติปัฏฐานการน้อมใจเข้าหาความว่างไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงคือน้อมใจเข้าหาช่องว่างช่องว่างไม่ใช่มหาสุญญาตานะมันคืออาการสาัญใจยตนะ